นี่คำจับกัดความกว่าสติคำจับกัดความกว่าสมาธิได้แก่อริสุธทธิ์โภแจ่มใสผ่องใสสุดชื่นสมัยโตตั้งมัน่น <c oughs> หอนไปเอบตั้งมันงม่นเรากรรมนิยูเตรียมพร้อมนี่คำจับความก็ว่าคำว่าสมาธิไม่มีคำไหนว่าคือสงบนิ่ง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 มันก็เอาเนื้อทั้งก้อนมาต้มมาตุนปิ้งถ้าจะไปแปลงไปอย่างอื่นไม่ใช่นันเรียกว่าเป็นการใช้อย่างไม่มีโยนิสม์นสิการไม่ได้ไข่เองนี่ถ้าคนทาเมนูเป็นก็เป็นได้ะร้อยเมนูก็เป็นไข่ต้มเท่านั้นหรือไข่ทอดเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ใช่นันคือลทัทธิธวจนะ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 แต่ว่าเวทนาเฉพาะคนนี้บางคนอาจจ ะ, ะมีโรคปวดหลังอยู่ก็นอกจากหนักเดโป่เราเพ อ, อรู้สึกปวดหลังบางคนอาจจะปวดหนักอท้องไม่ค่อยดีเป็นโรคกระเพาะอันนี้ก็เรียกวิบากกรรมแยกเวทนาละที่เนี่ยส่วนความรู้สึกที่เป็นสาคนทุกคนนั่งมาในเวลาเท่าเนี้รู้สึกหนักที่เดกโป่เหมือนกัน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 แต่พวกเหมือนกันหนักหลังหนักหลายเหมือนกันแต่ว่าไม่มากแต่บางคลมากกว่าหรือในห้องระดับแอร์ขนานี้บางคนรู้สึกพอดีบางคนรู้สึกมากไปบางคนรู้สึกน้อยไปนะอย่างนี้เขาเรียกว่าธาตุขันไม่เหมือนกันน ะ, ะรับสัมผัสไม่เท่ากันนะคุณหาก็อีมาตั้งโดยนะี้ดังนั้นเองเราก็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 อย่างนี้นมาก็เป็นบางครั้งต้องตรวจต้นฉบับอะไรยาวๆเป็นวันๆนึงนั่งเป็นวันๆสภาพมังก็ออกมาเดินเขาไปทำใหม่ค่อยบงบัดไปเราช่วงนี้เราใช้บาตรทางกายคือทรมานกายนิดหน่อยแต่ค่อยบงบัดด้วยการลุกไปเป็นระยะระยะแต่มันทำท่าจะเข้าไปสู่จิตจิตจะเกิดเบือ่อหน่ายลขคานอึดอัดขัดเครื่องปั๊บเอยแสดงว่าเราไม่สามารถ ค, รรควบคุม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 แต่ละรุ่นเนี่ยทำไมบางองค์ถึงไปได้ดีบางองค์ไปได้ไม่ดีเพราะเวลาเพราะเวลาฝึกกันมาทำเป็นสองภาคภาคหนึ่งภาคปฏิบัติภาคหนึ่งภาคทำงานในช่วงภาคปฏิบัติกับภาคทำงานนะมันจะสัมผัสกันคนไหนตั้งไปปฏิบัติถูกต้องเวลาไปทำงานก็จะถูกต้องเวลาคนไหนตั้งใจปฏิบัติทำไม่ถูกต้องเวลาออกไปทางานก็ไม่ถูกต้อง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 ถ้ามันถูกต้องแสดงว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องมันมันใช้ได้คุณทําถูกละแต่ถ้าหากว oui, c, ่าจริงจังตั้งใจไม่ต่อเนื่องมันก็จะไม่ลงที่มันไม่ถูกต้องไม่ลงที่ปัญญามันไปลงทุกนะจริงจังเกินไปต่อเนื่องเกินไปตั้งใจมากเกินไปเนี่ยไม่ถูกต้องละมันเกินแม้แต่การทํางานเหมือนกันคุณจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถ้ามันถูกต้องคุณต้องไม่เจ็บป่วยทั้งกายทั้งใจ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 ยุ่ยากมากดังนั้นความสุดโต่งพุทธเจ้าบอกให้ละธรรมเทศนากันแรกของของท่านท่านพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะทางมีสามทางกามสุขณนิการุโยกง่ายเกินไปเบาเกินไปสบายเกินไปไม่ดีอัตกิริมทานุโยกยากเกินไปลาบากเกินไปหนักเกินไปไม่ดีอย่าเอามัชิมาปฏิบาาัาเอาให้มันยากน้อยหน่อย